เจ็ดวิริยะผู้ที่มีขันติจำต้องเพาะบ่มวิริยะบารมีให้มากเพราะความตื่นรู้จะเกิดขึ้นได้เพราะความเพียร มันไม่มีบุญบารมีใดๆที่จะเกิดขึ้นหากปราศจากความเพียรเชกเช่นมันย่อมไม่มีการเคลื่อนไหวหากปราศจากลมวิริยะคืออะไรวิริยะคือความกระตือรือร้อนขยันหมั่นเพียรในการทำความดีแล้วอะไรละ่ะคือสิ่งตรงกันข้าม ก็ได้แก่ความเกียจคร้านความเฉื่อยชาของจิตใจการยึดติดในสิ่งที่น่าตำหนิขาดความกระตือรือร้นและดูถูกตนเองความเฉื่อยชาของจิตใจเกิดจากความเกียจคร้านความหลงเพลินในอารมณ์ที่พอใจความง่วงเหงา และความชอบปล่อยเวลาให้ผ่านไปอันเกิดจากการไร้ความรู้สึกต่อความทุกข์ยากในสังสารวัตเมื่อนายพรานคือกิเลสได้กลิ่นเธอจึงติดกับดักแห่งการเวียนว่ายตายเกิดทำไมเธอไม่รู้หรอกหรือว่าบัดนี้เธอกำลังอยู่ในปากแห่งความตาย เธอมองไม่เห็นเลยว่าผู้ที่เป็นพวกเดียวกับเธอกำลังค่อยๆถูกฆ่าไปเธอยังคงงั่วเหงาหาวนอนราวกับควายในโรงฆ่าสัตว์เมื่อพญายมเฝ้าดูเธอหนทางของเธอได้ถูกขวางกั้นในทุกด้านแล้วเธอยังคงเพลิดเพลินอยู่กับการกินอยู่หลับนอนได้อย่างไรเนื่องเพราะความตาย ย่อมมาถึงโดยฉับพลันด้วยอาวุธพร้อมมือเมื่อถึงตอนนั้นเธอจะทำอย่างไรแม้ว่าเธอจะเลิกเกียจคร้านแต่มันก็สายเกินไปเสียแล้วเธอจะคิดว่าฉันยังทำนี่ไม่เสร็จฉันเพิ่งจะเริ่มทำสิ่งนี้มันยังเหลืออีกตั้งครึ่งความตายได้มาถึงแล้วโอ้ยฉันเคราะหร้ายจัง ได้หรือเมื่อเธอได้เห็นญาติมิตรที่กำลังสิ้นหวังเพราะประสบกับเรื่องเศร้าน้ำตานองหน้าดวงตาบวมแดงและใบหน้าของย ม, มทูตเธอต้องทุกทรมานเพราะระลึกได้ถึงการกระทำที่ไม่ดีของตนเสียงของนรกโหยหวนไปทั่วสารทิศร่างกายเธออาบไปด้วยเหงื่อการแห่งความกลัว เธอจะทำเช่นไรเมื่อต้องประสบกับความกลัวเช่นนั้นดังนั้นท่านผู้บอบบางเธอไม่เป็นจุนแม้แค่เพียงได้สัมผัสกับน้ำร้อนแล้วด้วยการกระทาอันจะนำไปสู่นรกเธอยังคงสุขสบายอยู่ได้อย่างไรเธอหวังในผลแต่ไม่เคยเพียรพยายามเธอช่างบอบบางและเจ็บปวดได้ง่าย ในขณะที่อยู่ในเงื้อมมือแห่งความตายเธอทำราวกับว่าเธอจะไม่ตายเฮ้ยเจ้าคนทุกเอ้ยเธอกำลังทำลายตัวเธอเองแท้ๆด้วยการพบเรือคือการได้เกิดมาเป็นมนุษย์เพื่อใช้ข้ามแม่น้ำแห่งความทุกข์ยากเจ้าโง่เอ้ยมันไม่มีเวลาให้นอนอีกแล้วเพราะเรือลำนี้ยากที่จะพบได้อีก เธอละทิ้งความสุขอันยิ่งแห่งธรรมซึ่งเป็นกระแสแห่งความสุขเบิกบานอันไม่มีที่สิ้นสุดแต่กลับพึงพอใจในเรื่องเหลวไหลเรื่องสนุกของเด็ ก, ดกอันเป็นเหตุแห่งความทุกข์ได้อย่างไรการปราศจากความเฉื่อยชาเฉยเมยและคุณสมบัติที่ดีอันหลากหลายเช่นความรอบคอบพิธีพิธัน การรู้จักควบคุมตนเองความรู้สึกเสมอภาคกับผู้อื่นและการเสียสละตนเพื่อผู้อื่นควรจะนำมาปฏิบัติโดยไม่ท้อแท้จากการหลงคิดว่าเราจะหลุดพ้นไปได้อย่างไรกันพระพุทธองค์ทรงตรัสความจริงหนึ่งไว้ว่าแม้แต่ผู้ที่เคยเป็นหิ่งห้อยยุงพึ่ง หรือตัวหนอนก็สามารถบรรลุซึ่งอนุตรสัมโพธิญาณอันเป็นสิ่งที่บรรลุได้ยากนั้นได้ด้วยพลังแห่งความเพียรแล้วทำไมมนุษย์โดยกำเนิดที่สามารถรู้ถูกผิดดีชั่วได้เช่นตัวเราจะไม่สามารถบรรลุได้เล่าหากเราไม่ละทิ้งคำสั่งสอนของพระพุทธองค์หากเราหวาดกลัว ว่าเราจะต้องเสียสละแขนขาหรืออื่นๆนั่นเราอาจจะสับสนระหว่างสิ่งที่สำคัญกับสิ่งที่ไม่สำคัญเนื่องเพราะเราขาดความสามารถในการแยกแยะได้ถูกต้องหากเป็นเช่นนั้นแม้เราจะถูกตัดถูกหัน่นหรือถูกเผานับล้านๆกลักบแต่การตรัสรู้ก็มีอาจบังเกิดขึ้น อย่างไรก็ตามความทุกข์ทรมานซึ่งเป็นไปเพื่อการตัดรู้ของเรานั้นย่อมมีขอบเขตจำกัดเปรียบเสมือนความเจ็บปวดอันเกิดจากการดึงเศษโลหะในกายที่ทำให้เราทุกข์ทรมานออกแพทย์ย่อมรักษาด้วยวิธีการที่เราไม่ค่อยชอบนักดังนั้นเมื่อกำจัดความเจ็บปวดอันรุนแรง เราจำต้องอดทนต่อความเจ็บปวดเล็กๆน้อยๆแม้ว่าการรักษาเช่นนี้จะเป็นวิธีที่ทำกันอยู่โดยปกติแต่แพทย์ชั้นเลิศกลับไม่ได้ใช้มันท่านรักษาโรคอันเรื้อรังรุนแรงด้วยวิธีการอันนุ่มนวลในตอนต้นท่านแนะนำให้เรารู้จักเสียสละผักหรืออาหารอื่นๆเป็นทาน แล้วก็ค่อยๆทำมากขึ้นเรื่อยๆจนเราสามารถเสียสละได้แม้กระทั่งเนื้อและกระดูกของตนเมื่อเราเกิดปัญญาแจ้งชัดว่าเนื้อของเราก็ไม่ได้แตกต่างกับผักหรืออาหารอื่นๆแล้วมันจะยากลำบากอะไรการละอกุศลทำให้เราไม่เป็นทุกข์การอบรมบ่มปัญญา จะทำให้เรารู้เท่าทันกิเลสความทุกข์ใจทั้งหลายล้วนเกิดจากความเห็นผิดความทุกข์กายล้วนเกิดจากบาปกรรมที่ได้ทําไว้ร่างกายจะมีสุขภาพแข็งแรงก็เนื่องด้วยบุญกุศลจิตใจจะมีความสุขเบิกบานก็เนื่องด้วยปัญญาสําหรับผู้ที่ถึงพร้อมด้วยความเมตตาการุณาผู้อุทิศตนอยู่ในสังสารวัฏ เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นอะไรเล่าจะทำให้ท่านเป็นทุกข์ได้อีกการละบาปอกุศลในอดีตให้หมดสิ้นไปการสร้างสมบารมีอันยิ่งใหญ่ดุดมหาสมุทรก็เนื่องด้วยพลังแห่งโพธิจิตเท่านั้นนั่นเธอย่อมก้าวล้ำความเป็นแค่เพียงสาวกภูมิไปด้วยรถม้าแห่งโพธิจิต อันเต็มไปด้วยความสุขซึ่งจะขจัดความเศร้าหมองและความเหนื่อยล้าให้หมดไปแล้วอะไรที่จะทำให้บุคคลผู้ฉลาดเกิดความสิ้นหวังได้อีกเมื่อต้องดำเนินไปในทางแห่งความสุขเบิกบานเช่นนี้พลังแห่งความมุ่งมั่นตั้งใจความหนักแน่นมั่นคงความปีติเบิกบานและการปล่อยวางล้วนเป็นสิ่งสำคัญ ในการบรรลุเป้าหมายที่จะช่วยเหลือสรรพสัตว์เพราะความหวาดกลัวเราจึงควรมุ่งมั่นตั้งใจจริงจังเนื่องเพราะพิจารณาเห็นคุณค่าของมันอย่างแท้จริงเมื่อถอนรากของสิ่งที่ตรงกันข้ามด้วยวิธีนี้เราควรจะเพียรพยายามให้มากด้วยพลังแห่งความมุ่งมั่นตั้งใจความมั่นใจในตนเองความปิติเบิกบาน การปล่อยวางการอุทิศเพื่อผู้อื่นและความหนักแน่นปราดได้กล่าวไว้ว่าความมุ่งมั่นปรารถนาเป็นรากฐานของกุศลธรรมทั้งปวงและรากเง่าของมันก็คือการพิจารณาอย่างสม่ำเสมอถึงผลของการกระทำทั้งหลายเมื่อมันอิ่มตัวเต็มที่ความทุกข์ทรมานความเศร้าโศกความหวาดกลัว และการไม่สมปรารถนาะย่อมเกิดขึ้นแก่ผู้กระทำชั่วที่ใดก็ตามผู้ที่มีจิตใจมุ่งมั่นปรารถนาะในการกระทำความดีท่องเที่ยวไปที่นั่นบุญบา ร, รมีของเขาย่อมให้ผลกับเขาอย่างเต็มที่แต่ที่ใดก็ตามที่ผู้กระทำความชั่วเพราะความต้องการแต่ความสุขเข้าตน ท่องเที่ยวไปที่นั่นผลกรรมชั่วของเขาย่อมทำร้ายเขาด้วยศาสตราวุธแห่งความทุกข์อันหลากหลายเนื่องเพระาะกุศลธรรมที่ได้กระทำไว้บุตรแห่งพระสุคตผู้สถิตน่ใจกลางดินแดนแห่งดอกบัวอันกว้างใหญ่ซึ่งส่งกลิ่นหอมหวนและให้ความเย็นช่ำความงดงามของท่าน ถูกเติมแต่งด้วยสุรเสียงธรรมแห่งพระชินสีกายอันสง่างามของท่านผุดขึ้นจากดอกบัวที่เบ่งบานด้วยรัสมีแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านได้บังเกิดขึ้นต่อหน้าพระพักแห่งพระสุคตแต่เพราะอากุศลกรรมที่ได้ทำไว้เขายอมต้องร้องโอดครวนด้วยความทุกข์ทรมานผิวหนังของเขา ถูกถลกออกโดยยมมาธุดร่างกายถูกต้มอยู่ในกระทะทองแดงอันเดือดพล่านเนื้อถูกเฉือนออกเป็นร้อยๆอยชิ้นด้วยหอกและดาบอแหลมคมเขาถูกโยนลงไปบนพื้นเหล็กที่ร้อนระอุซ้ำแล้วซ้ำเล่าดังนั้นเราจึงควรฝึกฝนจิตใจให้มีความมุ่งมั่นปรารถนาที่จะเจริญกุศลธรรม ให้ยิ่งขึ้นไปเพราะบ่มมันด้วยความเคารพเมื่อเราได้เริ่มต้นเราควรเพราะบ่มด้วยความมั่นใจในตนเองตามวิธีที่กล่าวไว้ในคำภีวัชระทุวัชสูตรหลังจากที่ได้ศึกษาวิธีการอย่างดีแล้วเราควรตัดสินใจให้ดีว่าจะเริ่มหรือไม่เริ่มปฏิบัติแน่นอนการที่จะยังไม่เริ่ม ย่อมดีกว่าการที่เริ่มไปแล้วหันหลังกลับเพราะสิ่งนี้จะติดตัวไปทุกๆุกชาติและเนื่องเพราะบาปกรรมที่กระทาความทุกข์ย่อมพอกหูนขึ้นโอกาสอื่นที่จะได้กระทาอีกก็เป็นอันสูญสิ้นไปและงานที่มุ่งหวังก็จะไม่สำเร็จเราจะต้องใช้ความเชื่อมั่นตนเองกับสามสิ่งนี้คือการกระทา กิเลสต่างๆและความสามารถของเราฉันคนเดียวที่ต้องทำมันให้สําเร็จนี่แสดงถึงความเชื่อมั่นตนเองในเรื่องการกระทรรมโลกนี้ปกคลุมไปด้วยกิเลสตัณหามันจึงไม่สามารถที่จะสําเร็จประโยชน์ได้ด้วยตนเองดังนั้นฉันจึงต้องทำมันเพื่อโลกฉันมิได้ไร้ความสามารถเหมือนอย่างที่โลกเป็น ทำไมคนอื่นๆจึงทำในสิ่งที่ด้อยกว่าในขณะที่ฉันเฝ้าดูอยู่หากฉันไม่ทำมันเพราะความทนงตนเช่นนั้นมันจะเป็นการดีกว่าที่จะปล่อยให้ความหลงภูมิใจในตัวฉันถูกทำลายไปแม้แต่อีกาอย่างพยายามทำตัวเป็นพยาอินทรียามเมื่อโฉบกินงูที่ตายแล้ว หากจิตใจฉันอ่อนแอแม้เรื่องร้ายเพียงเล็กๆ ก, ก็จะเป็นปัญหาหากเธอหมดพลังเพราะความสิ้นหวังเรื่องร้ายๆก็ยิ่งจะเกิดขึ้นได้ง่ายแต่หากเธอฮึกเหมิมจริงจังเธอย่อมไม่พ่ายแพ้แม้ต้องเผชิญหน้ากับศัตรูผู้เข้มแข็งดังนั้นด้วยจิตที่ไม่หวั่นไหวฉันจะทำให้ศัตรูทั้งหลายพินาศไป แต่ตราบใดที่ฉันยังพ่ายแพ้ต่อศัตรูความปรารถนาที่จะมีชัยชนะเหนือโลกทั้งสามก็ดูไร้าสาระฉันจะต้องเอาชนะทุกๆสิ่งและไม่ถูกสิ่งใดเอาชนะเลยฉันต้องได้มาซึ่งความเชื่อมั่นในตนเองเพราะฉันคือบุตรของพระชินสีผู้เปรียบดังพญาราชสี สัตว์โลกที่ถูกครอบงำด้วยความทนงหลงตนย่อมต้องทนทุกทรมานซึ่งนั่นไม่ใช่ความเชื่อมั่นในตนเองพวกเขาตกอยู่ภายใต้อำนาจของศัตรูคือทิฐิมานะผู้ที่มีความมั่นใจในตนเองย่อมไม่จำนวนต่อศัตรูเช่นนั้นด้วยการนำพาไปสู่ความทุกข์ยากแห่งสังสารวัฏพวกเขา ย่อมปราศจากความสุขแม้ว่าจะได้เกิดเป็นมนุษย์พวกเขาเปรียบดังทาตผู้ต้องกินเศษอาหารเหลือของผู้อื่นโง่เง่ า, งาน่าเกลียดและอ่อนแอพวกเขาย่อมถูกดูถูกเยียดยามในทุกๆ ท, ที่หลงลำพองด้วยความทนงตนแต่กลับเต็มไปด้วยความทุกข์หากพวกเขาอยู่ท่ามกลางผู้ที่เชื่อมั่นในตนเอง พวกเขาจะดูน่าสงสารยิ่งนักลองบอกซิว่าพวกเขาเป็นคนประเภทไหนกันผู้ที่มีความเชื่อมั่นในตนเองคือวีรบุรุษผู้มีชัยชนะเขายอมให้ความเชื่อมั่นนั้นเพื่อชนะศัตรูคือทิฐิมานะในการฆ่าศัตรูที่เข้มแข็งนั้นเขายอมแสดงให้โลกประจักษ์ ถึงผลแห่งชัยชนะได้ตามต้องการเมื่ออยู่ท่ามกลางกิเลสตัณหาอันหลากหลายเธอควรต้องแข็งแกร่งในทุกๆ ท, ทางและไม่ยอมพ่ายแพ้ต่อกิเลสเฉกเช่นราชสีที่อยู่ท่ามกลางฝูงกวางเมื่ออยู่ท่ามกลางสถานการณ์อันตรายบุคคลยอมปกป้องดวงตาของตนเช่นเดียวกันเมื่อต้องประสบกับความยุ่งยาก เขายอมรักษาใจไม่ให้ถูกกิเลสตันหาครอบงำเธอควรทำงานด้วยความขยันขันแข็งทุ่มเทอยู่กับการกระทำนั้นราวกับเธอไม่รู้จักอิ่มพอเช่นเดียวกับการพยายามดิ้นรนเพื่อชัยชนะในการแข่งขันการกระทำที่กระทำเพื่อผลคือความสุขความสุขนั้นอาจจะเกิดขึ้น หรือไม่เกิดขึ้นก็ได้แต่สําหรับผู้ที่กระทาด้วยความยินดีในตัวการกระทาเองจะมีความสุขได้อย่างไรหากไม่ได้กระทาความสุขในสังสารวัตรคือรสชาติแห่งกรรมคุณทั้งหลายเป็นดั่งมีดโกนอาบน้ำพึ่งมันย่อมไม่สามารถทำให้เกิดความพึงพอใจได้จริงแต่รสน้าทิพย์แห่งบุญกุศล น, นั้น หอมหวานยามเมื่อสุกงอมเต็มที่และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งดังนั้นแม้ว่าจะกระทําการสำเร็จแล้วเธอควรจะทุ่มเทกับงานนั้นอยู่อีกราวกับช้างที่ชอบแช่อยู่ในน้ำเพราะถูกแดดเผายามเที่ยงวันยามเมื่อร่างกายของเธอเริ่มอ่อนล้าเธอควรจะหยุดพักเพื่อที่จะได้กลับมาทำอีกเมื่องานเสร็จสมบูรณ เธอควรจะปล่อยวางมันด้วยความรู้สึกที่อยากจะทำงานอื่นๆอีกต่อไปเรื่อยๆเธอควรจะขจัดปัดเป่ากิเลสตัณหาที่คอยรุมเร้าและจัดการมันอย่างเด็ดขาดจริงจังราวกับอยู่ในสมรภูมิสู้รบกับศัตรูผู้ชำนาญเหมือนกับการที่เธอรีบหยิบดาบที่หล่นลงขึ้นมา ด้วยความกลัวศัตรูจะทำร้ายเธอเธอควรรีบหยิบดาบคือสติขึ้นมาอย่าเมื่อต้องเผชิญกับนรกในใจเหมือนกับพิษที่จะแพร่กระจายไปทั่วร่างกายเมื่อมันเข้าสู่กระแสเลือดความผิดพลาดก็แพร่กระจายไปทั่วจิตใจเมื่อมันพบจุดอ่อนในใจเรานักปฏิบัติ ควรทำตนเหมือนกับบุคคลผู้แบกเหยือกน้ำมันโดยมีผู้คุมถือดาบจับจ้องอยู่ตลอดเวลาเขาต้องระมัดระวังไม่ให้สะดุดล้มด้วยความกลัวถูกลงโทษถึงตายเหมือนกับบุคคลย่อมกระโดดหลบอย่างรวดเร็วเมื่องูเลื้อยขึ้นมาบนตักดังนั้นเธอควรจะตอบโต้กับความง่วงเหงาเศร้าซึม และความเกียดคร้านในแบบเดียวกันทุกๆความผิดพลาดหรือความไม่ดีที่เกิดขึ้นเธอควรแผดเผามันด้วยการสำนึกผิดและครุ่นคิดเสมอว่าฉันจะทำอย่างไรเพื่อไม่ให้สิ่งนี้ไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปไม่ว่าในการคบหามิตรสหายหรือในการงานเธอควรจะไตรตรองเสมอว่า ฉันจะคงความรู้สึกตัวในสถานการณ์แวดล้อมเช่นนั้นได้อย่างไรจงหมั่นตระหนักถึงคำสอนในเรื่องความมีสติรู้สึกตัวและการเฝ้าระวังรักษาจิตเธอควรจะเตือนตัวเองเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่เสมอก่อนจะกระทําการใดๆเพื่อที่จะได้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นสำลีที่เบา จึงสามารถลอยล่องไปมาได้ตามกระแสลมเธอจึงควรสลัดทิ้งตัวตนอันหนักหน่วงของเธอเสียสร้างศรัทธาอันแรงกล้าและความภาคเพียรอย่างยิ่งยวดและด้วยวิธีนี้เท่านั้นที่จะทำให้เธอบังเกิดพลังที่เหนือธรรมดา